สิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอยู่กับใจไปตลอดให้ใจมีความสุขไปตลอดนักปราชคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านจึงเลือกเอาความสุขที่ถาวรแต่คนไม่ฉลาด หรือคนโง่อย่างพวกเราพวกเราก็จะเลือกเอาความสุขชั่วกราวเพราะความสุขชั่วกราวนี้มันง่ายกว่าการเอาความสุขที่ถาวรความสุขชั่วกราวนี้มันเป็นความสุขต้นแต่ทุกปลายส่วนความสุขที่ถาวร น, นี้ เป็นความสุขที่ทุกตอนต้นและไปสุขตอนปลายคนจึงไม่ค่อยชอบหาความสุขที่ถทาวรนกันชอบหาความสุขชั่วคราวกันคือขอไปตายเอาดาบหน้าวันนี้ขอให้มีความสุขกันส่วนพรุ่งนี้จะทุกข์ก็ค่อยว่ากัน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 เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์บางคนทนกับสภาพของความทุกข์เหล่านั้นไม่ได้ก็ถึงกับคิดฆ่าตัวตายนี่เป็นเพราะว่าไม่เชื่อนักปราชญ์ไม่เข้าหานักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระ อ, อาหารตสาวก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 รับประทานพอประมาณรับพอ ร, บ ร, รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องรับประทานมากเอาแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรับประทานอาหารอีกต่อไปสำหรับวันนั้นเพราะไม่จำเป็นถ้ารับประทานก็แสดงว่ารับประทานด้วยความอยากด้วยความติด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 การทำใจให้สงบเวลาเจ อ, อนี้วอนนี้ก็จะเจอความทุกข์ยากลำบากพยายามนั่งสมาธินั่งเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบใจมีเรื่องว่าวุ่นขุ่นมัวอะไรต่างๆมาคอยกีดมาคอยขวางอยู่เรื่อยๆอก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการที่รุนแรง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 เราก็จะไม่มีวันที่จะได้ความสุขที่ถาวรได้เราต้องดูพระพุทธเจ้าพระอานาสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็เป็นกิเลสเป็นปุถุชนที่มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเราในตอนนี้แต่ท่านยอมที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหา ท่านยอมที่จะยุติการหาความสุขชั่วคราวยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายแล้วก็ทุ่มเถวชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสุขทางใจสระบ้านเรือนสระทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรียกว่าเป็นการทำทานนี่คือความหมายของการทำทานในพระพุทธศาสนา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 ที่ถาวรคือความสุขทางใจท่านก็เลยสละบ้านสละเรือนสละครอบครัวสละสามีสละภรรยาสละลูกสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะได้บําเพ็ญอย่างเต็มที่พอท่านสละสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็ไปอยู่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 สัญใดผู้ที่ต้องการละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้ให้อยู่ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสปทพะต้องไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสปทพะเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นสถานที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสปทพะที่เคยเส่ รูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่ได้เห็นจากการอยู่ที่ปีกวิเวกนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่ลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่คอยเสกจึงต้องออกจากบ้านเรือนกันแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขากันเพราะเป็นที่ที่ปลอดภัยจากการลุกลามของไฟของ รูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี่เองนี่เรียกว่าเป็นการปีกเวกเพราะว่าไม่ต้องการที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกต่อไปเพื่อที่จะได้กําจัดอุปสรรคที่จะมาขวางการสร้างความสุขทางทางใจก็คือการมาฉันทะความอยาก เสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะแต่ความอยากเสพมันก็ยังมีอยู่ภายในใจและมันก็ไม่ยอมตายไปอย่างง่ายง่ายเมื่อได้ปีกวิเวกแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาควบคุมการมาฉันทะนี้คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะนี้ ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดไว้ให้ได้หยุดความคิดไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ไปคิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจจนทําให้ไม่สามารถทนอยู่ในที่ปรี๊วเวกนั่นได้ เพราะความอยากนี่มันจะฉุดลากให้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะดังนั้นเมื่อปีกวิเวกแล้วสิ่งที่ต้องทนต่อไปก็คือต้องหมั่นเจริญสติคือทำที่จะทำให้ใจไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเช่นให้เราเลอกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าพุทธานุสติ ก็ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสได้การมฉัฉานทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะทำงานไม่ได้เพราะมันต้องใช้ความคิดเป็นตัวเป็นเครื่องมือในการ ทำให้เกิดการมฉันทักขึ้นมาดังนั้นหลังจากที่ได้ไปปีกพิเวกแล้วสิ่งได้ต้องพยายามทำต้องหมั่น พ, พยายามทำให้มากก็คือการเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ความคิดนี้คิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสผลึกะให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าใช้พุทธานุสติ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 หรือจะใช้กายะกระตาสติก็คือการดูร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปอยู่เรื่อยไม่ว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ใจก็จดจ่อเฝ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ส่งไปหาเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาให้อยู่กับร่างกายไปกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังนั่งกําลัง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 ร, รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์คือมีตาทิพย์มีหูทิพย์สามารถได้ยินเสียงที่เสียงที่หูธรรมดาไม่ได้ยินสามารถเห็นรูปที่ตาธรรมดามองไม่เห็นก็จะได้สัมผัสกับกายทิพย์ต่างๆเช่นเทวดาหรือบรรดาดวงวิญ ญ, ญาณต่างๆที่ยังล่องลอยอยู่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 อิทธิฤทธิปาฏิหารกับความสามารถพิเศษก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตันหาไปจะเอาวิชาความรู้ความสามารถเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือหาลาบยศชนะเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลต่าะเพราะใจยังไม่มีความสุขที่ถาวรก็เลยต้องมาหาความสุขชั่วคราวต่อไปโดยการอาศัยความสามารถพิเศษที่ได้จากการนั่งสมาธิ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 สิ่งที่เป็นของที่จะต้องเสื่อมเป็นของที่จะต้องกลายเป็นของที่ไม่สวยงามไปจึงจำเป็นต้องบงังคับให้มองความเสื่อมของสิ่งต่างๆมองความไม่สวยงามของสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้คลายความหลงไหลเพื่อที่จะได้ยุติเเ ity, ความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาเจ็บมาให้ความสุขกับตน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 พอเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มาพบกับนักบาชอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตาสาวกพวกเราก็จะไม่ได้รู้จักวิธีหาความสุขที่ถาวรตอนนี้พวกเราได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว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 พ่อป้าหลานต่อสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราพอท่านได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติสละความสุขทางร่างกายไปออกบวชถือศีลแล้วก็เจริญจิตตะภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนา ็จะเจริญสติสมาธิปัญญาพอมีสติสมาธิปัญญาก็จะสามารถสร้างความสุขทางใจให้ปรากฏขึ้นมาและอยู่อย่างถาวรได้งนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำกันก็คือต้องยุติการหาความสุขชั่วคราวนี้แล้วมาหาความสุขที่ถาวรกันด้วยการมารักษาศีลของนักบวชกัน ไปปีกวิเวกไปอยู่ในที่สงบสงดัดทางกาจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็หมั่นเจริญสติสมาธิและปัญญาพอได้สติได้สมาธิปัญญาเต็มร้อยแล้วก็จะได้ความสุขถาวรเต็มร้อยตามลำดับนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่ถาวรไม่มีใครที่จะตัดสินใจให้กับพวกเราได้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 ทำมาหากินได้ได้แล้วทันได้การปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นขณะที่ปฏิบัติอยู่นี้ก็ยังต้องพึ่งพาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายจนกว่าจะได้หลุดพ้นแล้วได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วได้พบบรลลมาสุขแล้วได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วก็จะไม่ต้องพึ่ง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 ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวายโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิที่ต e ังปัท um ี่ตังตุมหังกิปเมวาสมิจจตุสาเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาปร y โสยถามณิโชติ พระโสยะธาสพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตผวะตะวันตระโยสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาทานสิลิตสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรมมวะฏานติอายุวันโอสุขัง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 ถ้าไม่มีอะไรตอนนี้ก็จะให้พิธีกรเอาคำถามของผู้ที่ติดตามทางบ้านปากถามมาคำถามจากทางบ้านจากคุณซาล่าปฏิบัติสมาธิถึงขั้นไหนคะถึงจะบรรลุขั้นโสดาบาันคะก็ต้องมีสมาธิที่มีกำลังที่จะหยุดตันหาความอยากได้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 ต้องมีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาแต่ใจผู้ที่ไปอยากนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีความอยากแต่อย่างไดเพราะความอยากจะเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะ ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้คําถามจากคุณสรัญญาการสวดมนต์ถือเป็นการภาวนาไหมคะก็เป็นการทําเจรรญสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิแต่เป็นขั้นท่านเริ่มต้นสงบก็คงจะไม่สงบเท่ากับการเพ่งดูลมหายใจเข้าออก หรือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธแต่ก็เป็นประโยชน์ในสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเพ่งดูลมเลื้อพุทธโธได้ก็อาศัยการสวดมนต์กล่อมใจไปก่อนพอใจอสงบลงในระดับหนึ่งก็จะสามารถเพ่งดูลมบริกรรมพุทธโธต่อไปได้คําถามจากคุณพาดา วางแผน ล, ลาออกจากงานอีกห้าปีอยากเป็นอิสระและใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่บางครั้งจิตไม่ยอมลงให้เบื่อเบื่อ อ, อยากๆยากควรปฏิบัติอย่างไรดีคะก็ควรลาออกเสียเดี๋ยวนี้เลยเพราะกายจะไปรู้ว่าจะอยู่ถึงห้าปีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราอยากปรีกวิเวกแต่ทำให้บุพการีเสียใจน้ำตาล่วงเครียดนอนไม่หลับ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 เพราะแต่ก่อนเคยทำแล้วชอบที่ใจสงบดีพอปฏิบัติมาได้หนึ่งสัปดาห์อาการเจ็บหน้าอกก็หายไปจิตใจสงบขึ้นจึงเริ่มนั่งสมาธิเช้าเย็นและรักษาศีนไปด้วยแต่อาทิตย์ก่อนไม่สบายจึงนั่งสมาธิได้ไม่เต็มที่พออาการดีขึ้นเวลานั่งกราบรู้สึกเหมือนน้ำลายเต็มปากมันจะไหลออกมาพยายามพุโทโธก็จะหายไป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 เรานอนอยู่เราก็ยังภาวนาไปได้และถ้ามีสติดีก็อาจจะไม่หลับก็ได้งั้นอย่าให้ความเจ็บข้ายได้ป่วยมาเป็นอุปสรรคขวางการภาวนาของเราเพราะการภาวนาของเรานี้ภาวนาภาวนาที่ใจไม่ได้ภาวนาที่ร่างกายดังนั้นถ้าเราอยู่ในในท่านั่งไม่ได้ท่าเดินไม่ได้ท่ายืนไม่ได้เราอยู่ในท่านอนเราก็ภาวนาไป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 แล้วเราก็ต้องพยายามลดละความอยากให้มันน้อยลงไปให้ถือหลักมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่โกรธใครอ่าหมดแล้วเดี๋ยวให้ทางคุณต่อถามมีคำถามสดที่เข้ามาอยู่อ่าคำถามจากทาง a c e b o o k live นะครับจากคุณอิสริยาพรนะครับ ขอถามคำถามเกี่ยวกับการทำสมาธิเดินจงกรมอย่างสม่าเสมอแต่ยังขาดในการรักษาศีลหาแล้วจะทาบุญแล้วจะได้บุญใหม่คะเพื่อนที่ปฏิบัติ ด, ด้วยกันคะ่ะคือการรักษาศีลนี่จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะสนับสนุนในการนั่งสมาธิการเดินจงกรมถ้าเราขาดเครื่องมือคือการรักษาศีล ใจของเราก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายกับการไปทำผิดศีลมันก็จะทำให้เราต้องเสียเวลากับการไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำผิดศีลของเราแล้วก็ทำให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติได้เต็มที่แล้วก็จะมีความรู้สึกวุ่นวายใจข้างๆอยู่ภายในใจจะทำให้การทำใจให้สงบนี่ยาก กว่าการที่มีศีลอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วศีลห้าก็ไม่พอสําหรับการที่จะมาปฏิบัติจิตตภาวนามาเดินเจากรมนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องมีศีล8ถึงจะมีเวลาและใจก็จะเย็นใจก็จะสงบมากกว่าผู้ที่รักษาศีลห้า ว่าผู้ที่รักษาสีห่ายังสามารถที่ไปทากิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อยู่ก็จะทำให้ใจยังมีความอยากมีความกาวนกาวายความกำหนัดยินดีกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้ไม่มาเดินจงกรมไม่มานั่งสมาธิแต่ถ้าถือสีนแปดมันก็เป็นการปิดประตู ไม่ให้ใจไปหาความสุขทางร่างกายก็เลยต้องมาหาความสุขทางใจก็จะมีเวลาที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่คำถามจากคุณ น, น้ณเหนาวหวันนะครับในกรณีที่ต้องการรักษาศีลแปดแต่ยังคงต้องทำงานตามปกติเราสามารถนำมาปรับได้บ้างไหมคะอย่างเช่นการกินอาหารต้องไม่เกินเที่ยง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 ก็ลองคายออกมาดูหน้าตามันบ้างเวลาไม่สบายเวลาอาเจียนออกมาก็นั่งดูมันบ้าง mm. เวลาที่ขับถ่ายออกมาทางทวารก็นั่งจ้องนั่งเพ่งดูมันบ้างพิจารณามันบ้างว่าอันนี้ก็อาหารดีๆนี่เองที่เราอยากกินเหลือเกินทําไมพอถึงตอนนี้แล้วเราไม่อยากกินเสียแล้วก็อันนี้ก็จะทําให้เราเวลาที่เกิด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 บางคนเวลาจะก่อนจิตจะรวมนี้มันจะมีอะไรแปลกๆให้ปรากฏก็มีแล้วมันก็รวมลงไปบางคนก็ไม่มีดันั้นมันจะมีไม่มีนี้เราจะไปบังคับมันไปสั่งมันไม่ได้ใบห้ามมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เรารักษาสติไว้ให้ดีประครับประคองใจด้วยสติไปไม่ให้มันไม่ให้มันเผลอแล้วใจก็จะ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 เดี๋ยวให้มันหายก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลถ้าหายแล้วไปโรงพยาบาลทำไมโรงพยาบาลเข้ามีไว้สำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าหายแล้วเขาก็ไม่รับอยู่ดีจะไดนคนที่สบายใจแล้วจะมาวัดก็ไม่รู้มาทำไมคำถามจากคุณเพชรนะครับคุณพ่อนอนป่วยเป็นเจ้าชายนิทาอยากทราบว่ามีวิธีใดที่จะทำบุญอุทิศให้ไปถึงท่านได้บ้างครับ ก็รอให้ท่านตายก่อนนะตายแล้วก็ทำบุญอุทิศได้ตอนอยู่ก็พยายามเลี้ยงดูร่างกายของท่านให้ใหท่านอยู่อย่างสุขสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำถามจากคุณอุจังนะครับการทำบุญด้วยการบูชาพระเช่น500้ได้องค์นี้พันได้องค์นี้แบบนี้เราจะได้บุญไหมคะบางครั้งก็รู้สึกว่าทำบุญเพราะอยากได้พระมาบูชา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 เกิดจากอะไรคะแล้วหนูควรทําอย่างไรชาติก่อนเราเคยไปเอาเปรียบเขาเลยชาตินี้ก็เลยก็ถูกเขาเอาเปรียบถ้าอยากจะแม่ก็เอาเปรียบชาตินี้ก็เราก็อย่าไปเอาเปรียบคนเลยแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะไม่มีใครมาเอาเปรียบเราคําถามขั้นเวลานะครับพอดีก็ยังมาไม่ถึงนะครับพอาจารย์ครับสภาวะามารที่มารบกวนพระพุทธเจ้าก่อนการตัดสรตวนี่เป็นสภาวะที่เกิดจาก อ่าอ่านิมิตหรือว่าเป็นสภาวะที่เกิดจากอ่าความโลภความโกรธกำหลงหรือกิเลส ท, ที่พระพุทธเจ้าต่อสู้ครับอาจารย์มันก็อยู่ในใจของพระพุทธเจ้าใ น, ในใจของคนเราทุกคนเนี่ยก็คือกิเลสตัณหานี่แหละที่มันจะมาคอยสร้างอุปสรรคขวางกั้นการที่จะทําให้ใจเราเข้าสู่ความสงบยินั้นมันก็แล้วแต่กิเลสของแต่ละคนว่ามันจะหนักไปในทางไหนเจริญของแต่ละคน บางคนก็เป็นเรื่องของโทสะบางคนก็เป็นเรื่องของราคะมันก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเจริญกันก็คือใช้ปัญญาจะเป็นอสุภะก็ดีเป็นตายรักก็ดีเป็นาหาเลยปฏิกูลสัญญาก็ดีทมเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะมาทาลาย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 ในปัจจุบันด้วยพอเวลาเรานอนหลับจิตมันก็เอาความสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยจาได้นี้มาคิดมาปรุงมาแต่งไปถ้าเราทำความดีเราก็มักจะฝันดีถ้าเราทำความชั่วมันเราก็มักจะฝันร้ายคำถามจากคุณอาจจะอคุณกูนนะครับวิธีทำสมาธิเพื่อให้จิตรวมควรทำอย่างไรคะ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 มีมีบางคำถามแปลกๆด้วยนะครับถามว่าเาข้าภาษาปีที่แล้ววันอะไรนะครับอหา Google นะครับคือถ้าใม่มีคําถามก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเวลาก็พอสมคว ร, ครเราไว้วันเพราะมันเดี๋ยวนี้มันมีถามทุกวันคําถามมันก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็มีอีกฉังคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา